อลบคําว่าไม่หวั่นไหวคําว่าโล ก, กรธรรมนี่เอาออกที่ว่าพระอริยะบุคคลไม่หวั่นไหวเนี่ยเอาแค่ไม่หวั่นไหวก็พอโล ก, กรธรรมเนี่เอาออกอภิฐานหกก้อนันท ก, กรรมห้าเข้าเรีดอีกหนึ่งเข้าเรียดเ้าเรียดก็คือ ก็นับถือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าคทธาที่นะที่ว่าพระอริยะบุคคลที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะไม่ย่อมไม่หวั่นไหวนั่นน่ะหมายถึงไม่หวั่นไหวในถ้อยคำของเดียร์ีทั้งหลายคือไม่มีใครสามารถพูดให้ท่านไปเป็นมิจฉาทิตฐิอย่างใดอย่างหนึ่งอีกต่อไปฉบับนั้นเขาแปลเกินมา ยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรัตนังปณีตังนนโนสังฆติตะคตเนี่ยทั้เปพุทธะรัตนังปณีตังเนี่ยนะที่ว่ายังกินจิวิตตังเนี่ยแปว่าทรัพย์เครื่องเปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะยังกินจิแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งวิตังก็คือซับเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งอิทวาหุรังวาสักเคสวายังรัตนังเนี่ยคือ ไอ้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจเหล่านั้นถึงจะอยู่ในโลกนี้ก็ตามสัคเขสุก็คือในสวรรค์ก็ตามนีนะแล้วก็รัตนังปณีตังหรือรัตนะอันประณีตไม่ว่าจะเป็นรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นเนี่ยนะทรัพย์ทรัพย์เครื่องปลื้มใจทุกชนิดหรือว่ารัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิรัตนะทุกชนิดเนี่ยนะทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มี นนะเพราะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีอนนะีนี่เป็นความประนีตของพระพุทธรัตนะหรือความพิเศษของพระพุทธรัตนะเว่าดีกว่าทรัพย์สินทั้งทั้งโลกหมดเลยที่มองในแง่วัตถุเนี่ยนะมองในแง่มหาพูดเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าพระพุทธเจ้าเลยทั้งทั้งหมดเนี่ยนะ แม้กระทั่งแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติในสวรรค์หรืออะไรก็ช่างเถอะที่คนเขานับถือว่าสิ่งนั้นมีค่าสิ่งนั้นนี่เสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่อย่างเดียวยาถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้ น, น, นเพราะคําว่ารัตนะเนี่ยนะพะคือที่เขาเรียกว่ารัตนะเนี่ยเพราะสิ่งนั้นเนี่ยนานกว่าจะได้เจอสักครั้งหนึ่งเลยเป็นของที่นอนมากนะจะได้เจอเนี่ย มันพระพุทธรัตนะเนี่ยนะเขาบอกว่านานกว่า น, นั้นอีกที่จะได้เจอเป็นของที่พบเห็นได้ยากมากของเรายังท่าทว่าโดยรูปประคันเรายังไม่เห็นแบบแบบนั้นเลยนะท่านพระพุทธรัตนะเนี่ยเห็นได้ยากอันนี้ข้อแรกนะข้อสองเขาบอกว่ารัตนะเนี่ยของดีของประเสริฐของเลิศเนี่ย คนคนไม่มีบุญไม่มีสิทธิ์ได้ใช้อ่ะของดีๆนะเช่นจกักรพรรดิสมบัติเป็นต้นเนี่ยนะคนไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้ใช้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาก็ไม่ได้นับถือพระองค์นะใครที่ได้นับถือพระพุทธเจ้านี่ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากนะซึ่งในโลกนี้นะเขบอกว่าเฉพาะนับถือผู้ศาสนาเนี่ยประมาณสักห้าร้อยล้าน ประมาณประมาณห้าร้อยล้านนี่ไอห้าร้อยล้านนี่ก็แบ่งแบ่งผู้ศาสนาตามลัทธิต่างๆก็ประเทศที่นับถือก็ว่าโดยรวมแล้วก็มีไม่กี่ประเทศเขาบอกว่าจีนเนี่ยพอไปจีนเลิกนับถื อ, อเจอจีนหมดศาสนาเมื่อไหร่นะโอ้โหผู้ศาสนาเนี่ยประชากรที่นับถือเนี่ยลดลงหวบใหญ่เลยนี่ นานก็บอกว่าถ้าตามพุทธรัตนสูตรเนี่ยใครที่จะได้นับถือพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากนันที่ยากที่จะได้นับถือพระพุทธรัตนะนี่นะหรือเป็นสิ่งที่ช่างไม่ได้ก็ได้นะคำว่ารัตนะหมายถึงช่างไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มีคุณธรรมที่ช่างไม่ได้จะเอาอะไรมาช่างมาเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปปั้เนี่ยนะ พระองค์ก็งามกว่าพรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนามธรรมทั้งหลายคุณธรรมทั้งมวลเนี่ยพระองค์ก็ล้วนประเสริฐพิเศษดีกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความประนีตของพระพุทธรัตนะทรัพทั้งหลายที่เป็นวัตถุภายนอกเนี่ยนะที่ที่บุคคลมีเนี่ยนะนึกแล้วจะได้ปลื้มใจสักกี่วันใช่ไหม ว่าแบบง่ายๆเลยนะเอาแต่ละคนที่มีรถใช้เนี่ยนะมีรถรถเก๋งดีๆเลยประมาณนี้แหละดีที่สุดในยุคนี้เลยน้ <c oughs> นึกแล้วยิ้มสักกี่ครั้งอ่ะส่วนใหญ่ก็นึกแล้วเครียดหลายครั้งอ่ะนะอันนี้นใช่ <c oughs> นึกแล้วยิ้มแย้มแหมมีความสุขเหลือเกินนึกแล้วปลื้มเลยนะ <c oughs> คุณผู้ชมนึกถึงรถเก๋งปลื้มไหมแรกแรกแล ะ, แและความปลื้มมันนั้นถ้าเทียบกับเจริญพุทธคุณนะ โอ้ห่างกันมากเลยนะเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วลใช่รถเนี่ยนะมันปลื้มแต่แรกๆกันนะนานๆเข้าชักไม่ค่อยปลืมนะ้มละพวกการนี้ชักไม่ค่อยปลื้มนะนานๆขึ้นนานๆขึ้นมันเสียบ่อยขึ้นเนี่ยมันก็ปลื้มได้ยังไงอะ่ะไม่เหมือนคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคุณของพระพุทธเจ้านึกเมื่อไหร่ก็ปลืม้มแบบนีนนะ้นึกแล้วก็ปีติปรามโมทถ้ายิ่งปฏิบัติตามคําสอน บรรลุมรผลนิพานฌานอภิญญาเป็นต้นด้วยก็ยิ่งความเพิ่มนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้ว <c oughs> ก็ถ้าพูดถึงว่าพุทธรัตนเนี่ยใครที่ได้นับถือพระพุทธรัตนเนี่ยก็ให้ดีใจเถอะว่าเป็นผู้มีบุญมากเนี่ยนะแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าปริมาณสภาพจิตนะเอาสภาพจิตเป็นเครื่องวัดเนี่ยวันวันหนึ่งเราได้นับถือพระพุทธเจ้ากี่ครั้ง ตอนสวดมนต์ครั้งหนึ่งอั น, นี้เห็นเหนะ็นอ่ะนะตอนไหนอีกห้ามพูดนะบอกอุย๊ยตลอดเวลาเลยนั่นเกินไปอันะนะันะ้นเกินไปแล้วตอนโกรธพุทธเจ้าไปเก็บไว้ตรงไห น, นก็ก็เป็นพักๆใช่ไหมก็สังเกตดูว่าวันๆหนึ่งเราได้นับถือพระพุทธเจ้ากี่ครั้งและเลืกถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งเนะีนะ่ยตรงนั้นแหละเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้เท่านั้น เราได้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าเท่านั้นในส่วนที่เป็นบุญที่เราสั่งสมก็มีเท่านั้นั น, นก็พยายามจัดเวลาสิ่งแวดล้อมให้ได้ใกล้ชิดให้ได้เลืกถึงพระพุทธเจ้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอย่าต้องหาเหตุผลจนต้องห่างพระรัตนตรายเลยอย่าหาเหตุผลจนต้องห่างพระพุทธเจ้าเนะเพราะว่าเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะผลดวันประกันพรุ่งต่อ ความตายใช่มทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสะพานที่ข้ามอบายได้ถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าสักอย่างเดียวเนี่ยนะคติที่ไปนี่ไม่มีแน่นอนสักอย่างเดียวในบรรดาผู้ที่ทำทั้งบุญทั้งบาปทำทั้งกรรมดากรรมขาวทำทั้งดีทําทั้งชั่วมาเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าปลื้มที่สุดนึกถึงบุญของตัวเองนึกไปนึกมาสะดุดบาปเข้าอีกไม่เหมือนนึกพระพุทธเจ้านึกเมื่อไหร่ก็ ดีหมดเลยสำคัญที่สุดก็คือสาธยายคุณให้ได้นะไม่ได้อะไรก็อิติปิโสก็ยังดีนะถ้าได้แปลด้วยก็ดีขึ้นนี่เลยถ้าเข้าใจความหมายของแต่ละบทแต่ละบทก็ประเสริฐมากขึ้นแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆโดยมากก็เป็นคําชมซะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคําชมเป็นคํายกย่องวโรวรัญยูวรโทวราฮโรเนี่ยก็เป็นคําชมว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ นะแสดงธรรมที่ประเสริฐอย่างงี้ยนะมันก็เป็นคํายกย่องแล้วก็เราพยายามศึกษาให้เข้าใจถึงพระคุณซึ่งพระคุณหลักๆนะี่ก็อยู่ในอิติปิโสอยู่แล้วพระคุณหลักๆจริงๆเนะียอยู่ตรงนั้นแหละที่เหลือก็เป็นพระคุณที่เรียกว่าปกินะกะก็ไม่ผิดอะไรนะี่แหละปกินะกะเพราะคําอธิบายที่คลุมจักรวาลเลยจริง ๆ, ๆนะี่อยู่ใน เนี่ยตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวานุตโรภุริสัทธามสารเทสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธพัควาเนี่ยไม่เกิน9้าบทนี่หรอกนะเนี่ยอยู่ในเก้าบทหรือ10บทนี่แหละเป็นคําอธิบายที่กว้างขวางมากส่วนอย่างอื่นอย่างอื่นก็เป็นประปรายนเนี่ยเอาปกิณนนกะของพุทธคุณเหล่านั้นเนี่มายกย่องเป็นเรียกว่าปกิณกะหรือหมวดเบ็ดตะเล็ดนั่นเอง แต่ถ้าเข้าใจโดยอัฏฐะของพระพุทธคุณตั้งแต่อรหังเป็นต้นโดยพิสดารเนี่ยนะก็ยางว่านะนั่งนึกสามปีก็ไม่จบอยู่แล้วหรือโดยเฉพาะบทว่าตาถาคตไนี่ก็กว้างขวางมากเนี่ยเพราะว่าถ้าได้โครงสร้างของบทว่าตาถาคตมาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ใหญ่จริงๆ ชาดกเนี่ยถ้าเป็นอดีตเนี่ยน ะ, สะเสด็จมาอย่างนั้นเนี่ยโหชาดกเนี่ยมาหมดเลยนั น, น ะ, สะเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยไตรสิกขาเนี่ยมาเข้ามาทั้งหมดสเสด็จมาอย่างนั้นสเสด็จไปอย่างนั้นตรัสรู้ธรรมะอันทองแท้เป็นต้นนันนะฉั้นพุทธคนนั้นถ้าเจริญได้หลากหลายวิธีจิตก็เป็นบุญมากขึ้นนั น, นะจิตเป็นบุญมากขึ้น แต่ทั้งนั้นทั้งนี้การที่เราจะทราบซึ่งในพระคุณเท่าไหร่ก right. ็อยู่ที่ความเข้าใจในพระธรรมเพราะว่าบุคคลที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็ต้องรู้จักพระธรรมถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะรู้จักพระธรรมก็ไม่ใช่ฐานะอีกถ้าจะรู้จักแต่พระธรรมโดยที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ฐานะอีกแม้กระทั่งผู้ที่เคารพก็เหมือนกันนะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเคารพพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องเคารพในพระธรรม ถ้าเขาบอกว่าเขาเคารพในพระพูดพระธรรมเขาต้องเคารพในพระสงฆ์เพราะว่าจะว่าสิ่งเดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันเดี๋ยนะนะพยายามทําความเข้าใจในรัตนาสามให้ให้ดีเพราะว่าผู้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวในรัตนาสามประการเนี่ยนะนะบุคคลแรกก็คือพระโสดาบันบุคคลเดี๋ยนะนะพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึง เข้าถึงโลกุตระธรรมเมื่อพระโสดาบันเนี่ยนะเข้าถึงโลกุตระธรรมเนี่ยพระโสดาบันจึงไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแสดงธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐนั่นก็คือแสดงโลกุตระธรรมโวหารที่เอามาประกาศโลกุตระธรรมนั่นแหละเรียกว่าปริยติธรรมนั่นะปริยติธรรมนั้นเป็นโวหาร เป็นถ้อยคำที่เอามากล่าวบรรยัตยิแสดงแต่งตั้งเปิดเผยชี้ชัดประกาศให้รู้จักโลกุตระธรรมว่าโลกุตระธรรมเป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงโลกุตระธรรมเป็นเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยนะซึ่งพระพุทธทเจ้าเนี่ยนะประกาศพระปริยัติธรรมเพื่อชี้ให้เห็นโลกุตระธรรม ถ้าหากว่าผู้ใดเข้าถึงโลกุตระธรรมก็ก็จะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นนี่นะตามสมควรแก่มรรคผลที่ตนได้แทงตลอดบุคคลใดที่แทงตลอดมรรคผลอย่างนั้นแหละเรียกว่าสาวก ข, ของพระพุทธเจ้ า, านี่นะเป็นสาวกจริงๆก็คือเป็นพระอริยะสาวกนี่นะเป็นผู้ที่หลังจากเป็นพระอริยะสาวกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการนับถือาศาสดาอื่นอีกต่อไปอนี่นะ จะไม่ถึงศาสดาอื่นว่าเป็นสารณะถ้อยคําของศาสดาอื่นมาสาั่งสอนเช่นพวกมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเนี่ยนะรอริยะท่านไม่เชื่อท่านหรือสอนให้ท่านเกิดสากายติฐิท่านก็ไม่เกิดจะโดยประการใดสากายติฐิก็ไม่เกิดในจิตท่านอีกต่อไปจะทำให้ท่านลังเลสงสัยในคุณของพระตนตรัยนี่ก็เป็นไปไม่ได้ไ ทำให้ท่านลังเลสงสัยอีกก็ไม่ได้ทำให้ท่านปฏิบัติอยู่ในมิจฉามักเนี่ยนะที่เรียกว่าศีลพัตะปราโมทมาไปถือลัที่นุ่งลมห่มอากาศถือศีลแพ้ศีลแกะเป็นต้นท่านยังไงท่านก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนท่านบุคคลจะให้ท่านไปอธิบายจนให้ท่านมัตชริยะเนี่ยก็ไม่ได้เราท่านจะไม่มีมัตชริยะอีกต่อไป ไปพูดยังไงทำยังไงให้ท่านริษยาคนเนี่ยท่านก็ริษยาไม่เป็นถ้าหากว่าเป็นพระอริยบุคคลไปแล้วก็ดีอย่างนี้ตัดบาปตัดอากุศลที่เป็นเหตุแห่งวัฏทุกข์ออกไปอย่างมหาศาลบาปอากุศลคือสกายทิฐิวิจิกิจชาศีลพัฒตรปรามมทมัชระยะเนี่ยนะริษยาเนี่ยไอโทษทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะบาปประกรรมที่คนทาบาปมาก หลักๆแล้วต้นเหตุสมุทฐานมันคือ5ตัวนี้เป็นตัวต้นตอที่ทําให้สัตว์เนี่ยทำบาปหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะก็มาจากนี่แหละนะโดยเฉพาะอย่างทะเละแก่งแย่งชิงดีกันก็เกิดจากริษยากับมัชชริยะสงครามทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เกิดเพราะไอะ้ริษยากับมัชชริยะสงครามชิงกามเนีเห็นคนอื่นได้มากไปก็ไม่ชอบ สงครามพวกแย่งชิงการทั้งหลายโดยพื้นฐานแล้วมาจากริศยากับมัฉริยะคือคนที่ได้ก็ห่วงแหนใช่ไหมใครที่เป็นเจ้าของก็ห่วงแหนมากคนที่ที่เห็นคนอื่นได้ก็เป็นยังไงริศยาคือไม่โสมนัสเลยได้ข่าวว่าคนอื่นได้ดีเนี่ยมันโสมนัสไม่ออกนั่นแหละพวกนี้เรียกว่าริศยา ไอ้สองตัวนี่นะมันเป็นตัวที่พาให้สัตว์เนี่ยทำบาปฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในการมก็ได้พูดเท็จพูดคําหยาบก็ได้เป็นไปเพื่อดื่มสุราและเมรัยก็ได้พาให้ทําบาปอย่างอื่นอีกมากส่วนสกายะทิฐิเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งสัสตตทิฐิและอุเฉท ท, ทิฐิลัดที่ในโลกเนี่ยมันก็ไม่เกินสองประการเนี่ยนะก็คือสกาย ะ, ะสัสตตทิฐิกับ อุเฉ ท, ท, ทิฐิพวกสักตตทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือชีวิตนิรันดร์ชีวิตอมตะเมื่อพวกกลุ่มที่ชือ่อถือชีวิตเป็นอมตะก็เช่นว่าถ้าตกในรกก็ตกอมตะถ้าขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์อมตะทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะจะดึงตัวเองไปสวรรค์ได้ก็โหเคารพนับถือกันเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตให้เลยแหละ ส่วนพวกลทัทธิอุเฉ ท, ทิที่ทั้งหลายพวกนี้ก็รีบบริโภคกามที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วก็จบกันเนี่ยนะเพราะตายแล้วก็ศูนย์เพราะฉะนั้นก็สแสวงหากามที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะถือว่าตายแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดเนี่ยนะบางคนนี่ก็พอสแสวงหาวัตถุกามเนี่ยนะซื้อเบียร์มาไว้เป็นเป็น แทบจะเหมารถคันรถมาตั้งเอาไว้เลยนะแทบจะไม่ดื่มน้ำนะดื่มแต่เบียร์เป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้บริโภคกามซะจุใจเลยนีกนยนะโอ้าตชาติน้าให้ผลจะเป็นยังไงเนอะเนี่ยนะนี่พูดถึงอริยสัจของเราต่อนะว่าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนะพื้นฐานที่สุด การปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาอริยสัจเมื่อบรรลุอริยสัจก็จะต้องการเพื่อจะละสกายทิฐิวิจิกิจชาศีละพาตาปรามณาฤษยากับมัชริยะอันนี้เป็นด่านแรกนะที่หรือเป็นวัตถุประสงค์แรกที่ต้องการละจริงๆควรควรตั้งไว้นะถ้าใครที่ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระโสดาบันก็มองโทษห้าประการนี้เป็น ศัตรูเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์หตัวนี้เป็นศัตรูเลยว่าต่อไปเนี่ยการศึกษาการปฏิบัติการพิจารณาอะไรก็ตามก็เป็นไปเพื่อละอออทุกโทษ5ประการเนี่ยนะเรียกว่าสังโยชน์นตามนัยะปาพิธธรรมเนี่ยน ะ, ะมัชชิยสังโยชน์ริสยาสังโยชน์เนี่ยตามในอภิธรรมเรียกสังโยชน์ถ้าตามในพระสูตรก็ไม่มี ทุกขาริยสัตว์ก็แก่าวสารกันนะในบรรดาอุปาทานขันห้าเนี่ยนะหรืออายตนาสิบสองเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งสกาญธิถิวิจิกิจชาศีลพัตตปามา m ริสยาและมัชริยะเนี่ยนะ โดยเฉพาะทางอายตนะเนี่ยนะอาจจะเห็นชัดถ้ามองตากับรูปใช่ไหมหูกับเสียงเนี่ยพวกนี้มันพ่นมาเป็นส ก, กายทิฐิเนี่ยข้อแรกก่อนนะสมมติว่าอย่างตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญให้เกิดสกายาทิฏฐิเพราะสกายาทิฏฐินี่ถือว่าถือว่าไงถือว่าเราเนี่ยเป็นตาตาเป็นเราหรือว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปหูเป็นเราเราเป็นหูก็คือหูเนี่ยเป็นเราก็เรียกว่าบาลีเรียกว่าอตาอย่างหนึ่ง อัตานิยะอย่างหนึ่งอัตาก็คือเป็นตนอัตานิยะก็คือของตนพื้นฐานแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยสำคัญว่าเป็นตนเนี่ยอย่างหนึ่งพวกอุชเชท ท, ทิฏฐิโดยมากถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนถือตานะเป็นตนถือสีก็เป็นตนถือหูเป็นตนถือเสียงเนี่ยเป็นตนพวกนี้แสดงว่าโดยหลักการ เ, เขาเป็น อุเฉททิถิถ้าพวกยึดถือนามว่าเป็นตนพวกนี้นีพวกพวกถือรูปเป็นตนพวกยึดถือนามว่าเป็นตนก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของตนถ้ายึดว่านามเป็นอัตานะเขาจะถือว่าตาเนี่ยเป็นของตนสีก็เป็นของตนหูเป็นของตนเสียงก็เป็นของตนเนี่ยพวกนี้แสดงว่ามีนามเป็นอัตตาสาคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตนกับเป็น ของตนเมื่อเป็นตนเป็นของตนอย่างนี้นะตามตามมาด้วยอะไรเป็นตนก็เป็นอุเฉตอุเฉตทิธิถ้าเป็นของตนโดยมากก็เป็นสัสตทิธิน่แหละก็เชื่อมโยงนะเป็นที่ตั้งแห่งการทะเละาะเบาแว้งกันเนนะบื้องเบื้องหลังลึกๆของคำพูดของสัตว์โลกโดยมากเนี่ยนะสาวไปแล้วเนี่ย ถ้าสาวไปจริงๆนะสาวทุกๆถ้อยความการแม้กระทั่งหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยเวน้นหนังสือพระไตรปิฎกซะเวน้นหนังสือที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าสาวไปแล้วเนี่ยพื้นฐานอยู่บนอุเฉ ท, ท, ทิฐิหรือสัสตทิฏฐิเขากําลังอธิบายบางอย่างก็อธิบายรูปบางอย่างหรือนามบางอย่างหรืออธิบายคําว่าตนหรือของตนนะ่นไง ก็พื้นฐานมาจากอัตตากับอัตตนิยะไล่มาแล้วก็มาจากสกายติทิทิิเหล่านี้ถ้าไม่มียาตนะเนี่ยนะทิฐิพวกนี้จะเกิดได้ไหมนะเขาบอกว่าถ้าปราศจากถัดสายตนะเนี่ยนะถามว่าการเขียนหนังสือเป็นต้นจะมีมาได้ไห ม, มเป็นต้นทั้งหนังสือทั้งหลารเนี่ยมันไหลามาจากเนี่ยทวารตาทวารหูที่สืบเนื่องสะสมมาต่อด้วยอํานาจของสกายทิทิ โดยรวมๆก็คือสำคัญว่าเป็นตนบ้างเป็นของตนบ้างเป็นะ น, นะบางพวกก็ยึดถือรูปบางพวกยึดถือนามก็ที่มาด้วยการเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยนะพวกหนังสือทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเผยแพร่ทิฏฐิอย่างดีที่สุดในในในสมัยนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ตั้งเป็นรัที่เลยใช่ั้ยถ้าไม่ใช่อาจารย์ใหญ่จริงๆเนี่ยไม่สามารถจะพูดลัที่ให้คนอื่น รับรู้ได้แต่สมัยนี้ก็ไ อ, ไอ ส, สื่อสารคือหนังสือเป็นต้นเนี่ยใครก็ขีดเขียนแล้วก็พิมพ์แจกจ่ายกันไปก็ไอพวกลัทธิทิฐิเหล่านี้ก็ระบาดเต็มที่เลยเพรียงแต่ว่าไล่ไปแล้วรวมๆก็สําคัญว่าเป็นตนบ้างเป็นของตนบ้างเมื่อตนมีอยู่ผู้อื่นก็มีอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนเมื่อมีตนก็ต้องมีผู้อื่นถ้ามีของตนก็แสดงว่ามีของ ของผู้อื่นเนี่ยนะก็อธิบายอยู่เท่านี้เดี๋ยวต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้มากสิ่งที่ตามมาก็คือความสงสัยหรือวิจิกิจฉาว่าอาดีตนี่เรามีหรือห n อเช่นชาติที่แล้วนะเนี่ยเช่นชาติที่แล้วมีจริงหรือ อ, อะไรมัเป็นเครื่องรับรองชาติหน้ามีจริงหรือเนี่ยนะก็เนะี่ยที่มาของของความสงสัยแลยนะ ถ, ถ้าผู้ที่ พื้นฐานว่าเป็นตนหรือเป็นของตนจะตามด้วยความสงสัยเออเนี่ยนะเออตนตนในอดีตตนมีหรือเปล่าเนอะนีไห ม, มคุณสุจินไม่ตอบนะมันเป็นยังไงไม่ตอบแปลว่าอะไรคุณคุณสุสีในอดีตตนมีหรือหนอ มีนะคืออัตตาเนี่ยตนเนี่ยมีหรือไม่มีเนะเนี่ยนะคือมันอะไรอะ่ะมันอยู่บนพื้นฐานของของความเข้าใจผิดแล้วก็เขาคิดแบบคนเข้าใจผิดเนี่ยนะคิดแบบเข้าใจผิดอันนี้อย่างหนึ่งนะเออถ้าตนมีในอดีตแล้วของตนในอดีตนัจะเป็นยังไงเนอะอันที่จริงตอนนี้ตนก็ยังหาไม่พบเลยใช่ไหม โดยความเป็นจริงแล้วตอนนี้ตนก็ยังไม่มีอะไรเป็นตนล่ะแต่ไอ้เพื่อนี้มันสำคัญว่าตนมีก็ตามด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะในอดีตเราเคยมีหรือเนอะอนาคตเรามีหรือไม่มีตกลงเอาไงดีใจละมูลเรามีหรือไม่มีตนมีหรือไม่มีอนาคตพระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์อย่างนั้น ก็คือมันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจผิดอ่ะนะอย่างที่ว่าเออสาเนี่ยมันมันเป็นสมมติว่าสาวเนี่ยเป็นผู้หญิงไงไหออผู้หญิงคนเนี้ยอดีตเขาเป็นอะไรมาเนาะเขาเป็นอะไรมานางสาวสาวเนี่ยอดีตชาติเขาเป็นอะไรและชาติหน้าเขาจะเป็นอะไรอีกเนาะควรคุยด้วยไหมเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นกัปัญหาที่ไม่ต้องไปคุยด้วยหรอกคนอย่างนั้นอะ่ะ แต่ว่าไอ้วิจิกิจามเมื่อไหร่ที่เราสงสัยนะสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละตอนที่เราสงสัยอดีตเรามีหรือเปล่าเนอะอยู่บนพื้นฐานไอเรานะตอนนี้เราก็ยังไม่มีเลยเออเราก็มาจากเราคิดแล้วความคิดมันเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นวัตถุมีอะไรเป็นอารมณ์สาวมาแล้วความคิดตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเราใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้คำว่าเราเนี่ยมันเกิดจากอะโยนิโมสมนัิการ พันในพื้นฐานตัวส ก, กายะทิฐิมันจะตามให้เกิดความสงสัยถ้าสงสัยนะเป็นที่มาของทำให้ทิฐิเนี่ยแน่นขึ้นนยิ่งสงสัยมากทิฐิยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นพวกนี้มันจึงหนุนกันโสดาปฏิมักอย่างเดียวจึงจะฆ่าได้นี่เมื่อเกิดความสงสัยเชื่อมันอ่นนี้ปั๊บที่มาของข้อปฏิบัติว่าตกลงเอายังไงดีคนี้ น, นะสมมติว่าอนาคตตนเนี่ยมีสมมติว่าอนาคตต่อไปนะตนเนี่ยมีชาติหน้าเนี่ยเราจะมีหรือนาตกลงอ่ะชาติหน้าเรามีละอ่ะทำยังไงเราจะมีแบบดีๆีนะนะก็เสนอข้อปฏิบัติขึ้นมาเอาไงดีเส้นบ้างอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่เธอเพื่อที่จะสนองว่า ชาติหน้าตนจะได้มีความสุขใช่ถ้าถือว่าตนไม่มีก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพราะเดี๋ยวก็ตนก็ศูนย์เลยใช่ั้ยก็จะตามมาด้วยข้อปฏิบัติพฤติกรรมทั้งมวลที่มาจากสกายยทิธฐิวิจิกิิชสีะระพตปรามาสพวกนี้มันเป็นข้อที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวยงเกี่ยวยงกันตลอดอันนี้นี่เป็นเกี่ยวกับลัที่าศาสนาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพวก พวกสายทิฏฐิบุคคลเนี่ยนะพวกสายทิฏฐิบุคคลหรือที่เรียกว่าอะไรนะมันมีพวกทิฏฐิจริตเนี่ยนะทิฏฐิจริตจะเป็นแบบนี้พื้นฐานที่มาจากทิฏฐิจริตนะแต่พวกถ้าพวกตันหาจริตพื้นฐานจริงๆถ้าตันหาจริตนะใครได้ตาดีกว่าตนนี่ก็เดือดร้อนอนะ่ะมาค่ะชอบนละคนอื่นทําไมเขาเขาเขาสวยกว่าเราใช่ไหม คนอื่นเขาสวยกับเราเนี่ยหลายคนก็บางคนก็ไม่ชอบที่คนอื่นเขาเขาดีเกินตนเนี่ยหรือเขามีรูปที่สวยกว่าตนเนี่ยจะตามด้วยอะไรริษยาริษยาจะตามมาอันนั้นริษยาจะตามมาว่าเขามีตาดีกว่ามีสีสวยกว่ามีหูดีกว่ามีเสียงเพราะกว่าก็ไม่ชอบอันนี้ก็ริษยาต่อไปอีกถ้าตัวเองมีดีอย่างเนี่ย ถ้าตัวเองมีดีเนะี่ยต้องการให้สาธารณะไม่เผื่อแพ่เออขอให้สวยทุกคนทุกคนนะไม่ใช่พวกนี้มัดฉริยะเนี่ยนะ